หน้าสี่สัตถีวิพัฒนในอัศตมีแปลว่าในเป็นฉัตถีวิพัฒนแต่แปลเป็นเหมือนสัตมีวิพัฒนดูตัวอย่างข้อหนึ่งสันติหิพันเตอุลางรายัขขาพระควโตปสันนาสันติแปลว่ามีอยู่หิแปลว่าจริงอยู่พันเตแปลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ถาในทีน่นี้หมายถึงพระพุทธองค์ก็แปลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญหรือข้าแต่ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแล้วแต่จะแปลชอบโภหารไหนแปลพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุลางรายักขายักขาก็แปลว่ายักทั้งหลายอุราลาอุราลาแปลว่าอะไรอุราลานี่ก็ภาษาไทยก็โอลานอุราลาเนี่ยนะ มันเป็นชื่อของยักษ์ตระกูลหนึ่ง umm. อุราละยักษ์อ่าจริงๆอุราลาเนี่ยไม่ใช่ชื่อของตัวยักษ์เพราะยักษ์ทีนี้ยักษ์ทั้งหลา ย, ยางไงถ้ายักษ์คนเดียวเนี่ยอาจจะบอกว่าชื่อว่าอุราลาได้แต่นี่มันทั้งหลายดังนั้นยักษ์ทั้งหลายเนี่ยก็คือยักษ์ตระกูลเนี่ยตระกูลยักษ์อุราละยักษ์ทั้งหลายหรืออีกอย่างหนึง่งอุราละเนี่ยท่านก็แปลว่าพระหูพระหูก็แปลว่ามากแปลว่ามากไม่ได้แปลว่าใหญ่นะแปลว่ามาก ยักษ์หลายตนความหมายอ่ะยักษ์หลายตนอุราลายักขายักษ์ทั้งหลายจํานวนมากประสัญ น, นาเลื่อมใสแล้วพระคัลวะโตตัวนี้เป็นฉัตรถีวิพัตแต่ให้แปลเป็นสัตตมีว่าในพระผู้มีพระภาคสันติมีอยู่ <c oughs> เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะแทนที่จะเลื่อมใสแห่ง มันไม่เข้าใช่ไหมเลื่อมใสของมันก็ไม่เข้าแปลไม่ได้ความดังนั้นพระควะโตเนี่ยเป็นฉัตถีวิพัตแปลเป็นสัตรมีแปลว่าในาในพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยักษ์ทั้งหลายจำนวนมากเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสแล้วในพระผู้มีพระภาคมีอยู่ พูดง่ายๆว่ายักษ์ส่วนใหญ่เนี่ยเลื่อมใสพระพุทธเจ้าสันติไร้ว่ามีอยู่หิเป็นเป็นคำยืนยันรับรองก่อนหน้านี้พูดว่าอย่างนี้อย่างนี้นี้จริงๆจริงๆแล้วนั่นเองจริงๆแล้วยักษ์จำนวนมากเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพันเต่าแต่พระองค์ผู้เจริญหิจริงอยู่ยักษ์ขายักษ์ทั้งหลายอุราราจํานวนมาก ประส น, นาเลื่อมใสแล้วพระคาวะโตในพระผู้มีพระภาคสันติมีอยู่สันตินี้มาจากอส า, าธาตุและอันติวัตามานาวิพัฒนะเพราะว่าตัวประธานเนี่ยยักษทั้งหลายกิริยาก็ต้องแปลว่ามีทั้งหลายเป็นทั้งหลายสันติแปลว่ามีอยู่เป็นอยู่อส า, าธาตอันติลบสล ะ, ะต้นาธาตุเหลือแต่สะ ถ้าเอกพพนะลบที่สุดธาตุถ้าผู้หูพจน์ลบต้นธาตุถ้าเอกพจะได้รู้ว่าอัตถิพหูพจน์จะได้รู้ว่าสันติแปลเหมือนกันมีอยู่เป็นอยู่อัตถิเอกนพสันติพหูพจน์เอกนพลบที่สุดธาตุหูพจน์ลบต้นธาตุส่วนตัวที่เหลือก็อาศิอัฏะ อัมหิตอสมิอัมหะอสมะคนนั้นก็จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยต่อไปดูอุทาหอนข้อ2กุสโลตวังรััสสะอังคปัจจังคาหนังตวังท่านกุสโลเป็นผู้รอบรู้เป็นคนฉลาดกุสละเนี่ยแปลว่าเป็นคนฉลาด คำว่าฉลาดในนี้หมายถึงรอบรู้มีความรู้กุสโลเป็นผู้มีความรู้อังคปัจจังคานังตัวนี้เป็นฉัตรถีวิพัตน์แต่ให้แปลเป็นสัตตมีแปลว่าในในองค์ประกอบน้อยใหญ่อังคเนี่ยน้อยปัจจังคะเนี่ยใหญ่อังคปัจจังคานังก็แปลว่าองค์ประกอบน้อยใหญ่รัฐัตร์ของรถ ท่านเป็นผู้มีความรู้ในอะไรต่างๆของรถอืมอะไรชิ้นส่วนรู้ว่าล้อเป็นยังไงรู้ว่าตัวถังเป็นยังไงโครงเป็นยังไงเครื่องยนต์เป็นยังไงเพลาเป็นยังไงเรียกว่ามีความรู้ในเรื่ององค์ประกอบต่างๆของรถยนต์แต่อันนี้เป็นรถโบราณก็เป็นรถม้ารถ ปัจจังคะเนี่ยนะมาจากปฏิบวกอังคะอ๋อขออภัยนะเมื่อกี้บอกว่าน้อยก่อนใหญ่ใช่ไหมใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าใหญ่ก่อนน้อย อ, อ, อังคะเนี่ยใหญ่ปัจจังคะเนี่ยเล็กน้อยอใหญ่น้อยแต่แต่ไทยบอกว่าน้อยใหญ่แต่บาลีบอกว่าใหญ่น้อยเอาใหญ่ขึ้นก่อนอเหมือนอเหมือนคําพูดห้าหกคำอะ่ะไทยจะบอกว่าคาพูดหกห้าคำไอ้บาลีนะ บาลีบอกหกห้าคำแต่ไทยบอกว่าห้าหกคำอังคะใหญ่ปัจจังคะน้อยเหมือนผลาผลน่ะผลาผลาก็ผลใหญ่อ่าลาก็ผลน้อยอังคะอวัยวะหรือองค์ประกอบหรือชิ้นส่วนหรืออะไรชิ้นใหญ่ๆส่วนปัจจังคะเนี่ยองค์ประกอบชิ้นเล็กๆ น, น้อยทั่วทวไปเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างถ้าปัจจังคะนี่แปลว่าองค์เฉพาะ เฉพาะองค์เฉพาะอย่างหรือว่าส่วนประกอบเฉพาะอย่างส่วนอังคนะนี่ยแปลว่าองค์ทั่วๆไปท่านเป็นผู้มีความรู้ในองค์ประกอบหรือว่าในชิ้นส่วนน้อยชิ้นส่วนใหญ่แต่บาลีก็ต้องบอกว่าชิ้นส่วนใหญ่ชิ้นชิ้นส่วนน้อยของรถแปลว่าใหญ่และน้อยทั้งหลายนะแม้จะเป็นชัตถีแปลเป็นสัตตมีแต่เมื่อเป็นพระหูก็ต้องแปลเป็นพระหูกันกัน อังคปจังคานังในชิ้นส่วนใหญ่และชิ้นส่วนน้อยทั้งหลายรัฐะของรถข้อ3กุสโลมัก ค, คัสสะกุสโลก็แปลว่ามีความรู้หรือว่าฉลาดมัก ค, คัสสะเป็นฉัตรถีให้แปลเป็นสตรมีแปลว่าในหนทางคนคนรู้จักหนทางฉลาดในหนทางรู้ว่าทางถ้าจะไปตรงนู้นจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา หรือตรงไปทางที่จะไปนี้ขึ้นเนินกี่นเนินลงห้วยกี่ครั้งเป็นคนไปไม่ห้องสอนเนี่ยเลี้ยวซ้ายกี่ครั้งเลี้ยวขวากี่ครั้งคืออย่างนี้ละกันนะที่เคยบอกเอาไว้ว่าชัดถีวิพัฒ์เนี่ยนะมันไม่ได้แปลเข้ากับกิริยามันจะแปลเข้ากับนามเท่านั้นดังนั้นถ้าในที่ไหนมีชัดถีวิพัฒน์เนี่ยมันจะสัมพันธ์เข้ากับคาที่เป็นนาม ใช่ดังนั้นในลักษณะนี้จึงไม่มีกริยาให้เห็นแต่ว่ามันก็เป็นประโยคแต่ว่าเป็นประโยคที่ยังไม่เต็มเพราะมันเต็มมาเดี๋ยวจะไปเกี่ยวข้องกับบทอื่นเกี่ยวข้องกับกริยาแล้วก็เลยตัด เ, เฉพาะฉัตรถิวิพัฒน์มาให้เห็นประโยคที่2ต้องมีโหต้องมีโหโหิเข้ามาท่านเป็นนะตวังท่านกุสโลโหหิเป็นผู้ฉลาดย่อมเป็น อันนั้นถ้าไม่มีกิริยาอะไรให้เห็นเนี่ยท่านใส่สามัญญกิริยากิรยิรยาที่แปลว่ามีว่าเป็นเข้ามาได้อย่างกุสโลมัคคัสสัเนี่ยเป็นคนฉลาดในหนทางอย่างนี้แล้วก็ต้องแปลต้องใส่โหติเข้ามาโหติย่อมเป็นเข้ามาข้อสี่ทิวสัสสติขัดตุงติขัดตุงแปลว่าสามครั้งสามครั้งทิวสัสสะในหนึ่งวัน ทีว่สัเป็นชาถีวิพัตน์แต่แปลเป็นสัตมีวิพัตน์แปลว่าใน1วันสมมุติว่าฉลากติดขวดยานนเราจะเขียนในบาเลีเอาไว้ที่ว่าสัตสัติขัดตุงกินวันละสามครั้งวันละสมครั้งถ้าสองครั้งก็ทวิขัดตุง4ครั้งก็จะตุกขัดตุง5ครั้งก็บรรจักขัดตุงข้อ5มาสตสัทวิขัดตุงทวิขัดตุงก็อาจจะเช่นบอกว่า เราไปถือศีลอุโบสถสองครั้งใน1เดือนก็ว่ามาสัตตวทิกทขัดตุงทวิกขัดตุงแปลว่าสองครั้งมาสัตว์ในหนึ่งเดือนเป็นฉัตรถีแปลเป็นสัตตมีเดือนละสองครั้งนั่นเองแต่สำนวนบาลีท่านจะไม่ใช้คําว่าเดือนละสองครั้งมันไม่มีต้องใช้คำว่าสองครั้งใน1เดือนคําว่าในหนึ่งวันในหนึ่งเดือนเนี่ยเราไม่ใช้ฉัตรถีวิพัฒน์ใช้สัตตมีวิพัฒน์ไปเลยก็ได้ เป็นทิวาเสเป็นมาเสไปเลยก็ได้สมิงเป็นเอไปเลยได้เหมือนกันแต่ว่าในลักษณะอย่างนี้ท่านนะให้เห็นว่าชาติวิพัฒน์เนี่ยก็แปลเป็นส ต, ตมีได้ข้อ6สุดท้ายกุสลานัาจคีตัสสิกีตาจารุงฤทธิโยคาถานี้มาจากขุททกนิกายชาดกเล่มที่28หน้าข้อ94้หน้า135 คือเตมิยชาตกะนั่นเองพระเตมีใบ้อ่ะเคยฟังไหมพระเตมีใบอ่ะโอ้ยฟังบ่อยไปฟังเทศวัดไหนก็เ ท, เ, เทศพระเจ้าสิบชาติเทศพระเจ้าสิบชาติจนสิบชาตินี่เรียกว่าเล่าสะดุดหกล้มสามตลบกลับมาเล่าต่อได้พระเจ้าเตมิกราชเนี่ยนะก็คือสวยชาติสิบชาติสุดท้ายบำเพ็ญเนคขมะบานระมี เน่ฆ ม, มาบางก็จะมีเป็นสิชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์หลังจากประสูติมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดช่างพูช่างจาณนะช่างคูช่างจาพูจาดีหน้าตาดีฉลาดแสดงความฉลาดหลักแหลมให้พ่อแม่เห็นเป็นลูกกษัตริย์อยู่มาวันหนึ่งจับโจรได้สคนโจรพร้นบ้างฆ่าบ้าง ทำความผิดมามากพระราชาก็ให้ทหารจับทหารจับมาได้ก็นําเข้าเฝ้าพระราชาให้ตัดสินสมัยก่อนตัดสินคดีต้องพระราชาเลยอยู่ที่พอใจหรือไม่พอใจทําผิดเล็กๆให้น้อยเมื่อไม่พอใจแล้วประหารก็ประหารพอจับโจรไปได้แล้วเนี่ยพระราชาก็ถามเอาความจริงว่าพวกเจ้าทําผิดอะไรทําผิดกี่ครั้งใครเป็นอะไรโจรก็ไม่ยอมรับสารภาพเมื่อไม่ยอมรับสารภาพ ก็จับโจรคนหนึ่งที่ขี้กลัวที่สุดมาแล้วก็โจรคนนั้นนะยอมรับสา ร, รภาพพอรับสา ร, รภาพแล้วพระราชารับสั่งให้ประหารชีวิตโดยคนแรกเป็นหัวหน้าโจรให้เสียบประจานใช้เหลาเหล็กแทงตั้งแต่ก้นทะลุกระหม่อมแล้วก็ไปเสียบประจานไว้ที่หน้าเมืองโจรคนที่สองให้จองจา จำคุกตลอดชีวิตเพื่อง่ายประหารแล้วก็มีจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็มีโทษลดหลั่นกันมาดังนั้นพอพระเจ้าไอ้พอหนุ่มน้อยเตมิยะผู้ น, นี้เนี่ ย, ยเห็นเหตุการณ์นี้เข้าความที่เคยเป็นอดีตมาเนี่ยก็บาขุดขึ้นเมื่อได้เหตุการณ์มาสมทบกันเข้าเนี่ยนะก็คือในอดีตการ์ตัวเองเคยเป็นพระราชาแล้วก็เคยทําผิดแบบเนี้ก็คือจับนักโทษได้ผิดไม่ผิดไม่รู้แต่เมื่อ มันมีหลักฐานพร้อมมูลมีพยานหลักฐานมีพยานบุคคลบางทีคนไม่ใช่คนร้ายก็สั่งให้ประหารอดีตชาติเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วพอมาเกิดในชาตินี้เจอเหตุการณ์แบบเดิมอีกไอความรื้อฟื้นความทรงจําตั้งแต่อดีตชาติก็ผุดขึ้นมาเมื่อผุดขึ้นมาแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราต้องได้ขึ้นของราชเมื่อพญานกสิน้น สวนคดไปแล้วเราต้องขึ้นคลองราชแล้วเราต้องมาตัดสินคดีแบบนี้อีกก็เลยกลัวในขณะที่กำลังวิตกกังวลกำลังจะเลือกว่าจะเอาอยัางไงดีจะทำยังไงดีคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนางเ ท, ทีิดาที่สถิตอยู่ที่สวตตะชัดของพระราชาเคยเป็นแม่มาก่อนในอดีตชาติมาเป็นเ ท, ทีิดาสถิตอยู่ในฉัดก็ออกมาแปลงร่างให้เห็นบอกว่า ถ้าไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นมีทางออกให้คือเจ้าต้องทำเป็นตาบอดทำเป็นหูหนวกทำเป็นใบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงจะพ้นจากเวรจากกรรมที่จะทำในวันข้างหน้าได้นั้นเตมียะก็เลยเอเราจะทำอย่างไรดีตัดสินใจว่าเป็นใบเขาแล้วกันนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่พูดไม่จาอะไรทนะั้งนั้นพระชนกพระช น, นี เห็นเหตุการณ์เข้าก็รับสั่งให้หมอหลวงมาเยียวยารักษาหมอก็กราบทูลว่าโรคชนิดนี้ยาขนาดไหนก็มีอาจรักษาได้พระเจ้าค่ะมีแต่บัณฑิตผู้มีปัญญาเท่านั้นจะรักษาได้พระราชาก็เราจะลองหาหมอรักษาหายารักษาดูรักษายังไงยังไงก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นก็คือคนแกล้งเป็นะไม่ได้เป็นจริงๆเอายาอะไรมาใส่มันก็ไม่หาย แปลงเป็นไม่พูดทันไงก็ไม่พูดนอนข้าวไม่กินไม่พูดอะไรทั้งนั้นน่ะจนคนอื่นเขาเห็นว่าคงจะไม่ไหวแล้วเป็นคนทุกคนลภาพเป็นคนปัญญาอ่อนเป็นทุกอย่างอะ่ะที่เขารังเกียจอะ่ะทุกคนก็เลยเห็นว่าเอ๊ะไม่ดีแล้วก็เลยเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไว้นอกเมืองเมื่อไปทิ้งไว้นอกเมืองก็ดีใจว่าความปรารถนาที่เราปรารถนาไว้สําเร็จแล้วอยากจะออกจากเมืองไม่รู้จะออกด้วยวิธีไหน เขามาทิ้งก็ดีแล้วไม่ทิ้งไม่ใช่ทิ้งธรรมดานะทิ้งขุดหลุมฝังนะแต่ว่าก็รอดมาได้แล้วก็หลังจากที่เขามาทิ้งเสร็จแล้วก็ออกบวชพอออกบวชแล้วพช น, นีพระชนกพระช น, นีเนี่ยก็เสียดายข่าวลือมาว่าลูกชายออกบวชแล้วแล้วก็ไปเฝ้าอ้อนวอนขอร้องให้กลับคืนมาคลองราช ตราวสารเสริญความสุขที่พึงได้ในราชสมบัติว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้แม้แต่คาถาครึ่งเดียวที่เรากำลังว่าอยู่เนี่ยเนี่ยก็เป็นคาถาที่พระชนนีอ้อนวอนพระเตมียะว่าให้กลับคืนของราชเถอะคาถานี้บอกว่ากุศลาเนี่ยนะในนี้บอกว่ากุสลานัจคีตัสสิกีตาจารุริธิโยจารุริถิโยแปลว่าหญิงสพวก จาตุแปลว่าสีสพวกอิทธิโยผู้หญิงทั้งหลายระนึ่งระอาคมนะระอาคมจาตุงิทธิโยก็คือจาตุอิทธิโยนั่นเองระอาคมเป็นจาตุริทธิโยหญิงทั้งหลายสจําพวกสิกิตาอกุศลาเป็นผู้ฉลาดเป็นคนเก่ง นัทจคีตาตระตัวนี้เป็นสถีวิภัตแต่ให้แปลเป็นสัตตมีวิภัตแปลว่าในการขับร้องอ่าในการฟ้อนกรำและขับร้องหญิงสี่จำพวกเนี่ยเก่งในการฟ้อนกรำและขับร้องให้แปลว่าในสิกีตาเป็นผู้มีการศึกษาคำว่ามีการศึกษานี่หมายถึงมีการศึกษาการบ้านการเรียนเป็นอย่างดี หุงข้าวไม่แฉะหุงข้าวไม่ไหมซักผ้าไม่ยับรบพระชนนีอ้อนวอนกลับบ้านเถอะลูกกลับเข้าวังเถอะที่วังนั้นน่ะมีหญิงสี่จำพวกเป็นผู้ฉลาดในการขับร้องฟ้อนรำรู้จักการบ้านการเรือนสามารถที่จะมีบุตรให้เจ้าได้เป็นหญิงที่มีคุณสมบัติ ถ้าเจ้ากลับขึ้นไปคลองราชเจ้าจะได้เสวยความสุขอย่างนั้นอย่ามาทุกข์ยากลําบากอยู่ในป่าหิมพผานนี้เลยเป็นคําอ้อนวอนขอร้องของของแม่ท่านเมื่อฟังคํานี้แล้วก็ไม่ใจอ่อนตามก็เพียงบอกว่าไม่อยากจะตกนรกอย่างที่เคยตกมาก่อนเพราะหลังจากที่เป็นพระราชาในอดีตชาตินั้นนะ่ะรับสั่งให้ฆ่าบ้างให้จองจําบ้างกับคนผิดก็มีคนไม่ผิดก็มี ด้วยผลกรรมนี้ไปตกนรกอยู่หลายกับนั้นเมื่อมอาบัติเป็นมนุษย์นี้ไอความร้อนรุ่มที่เคยแผดเผาในสมัยที่เกิดเป็นนรกนั้นมันยังมันยังมาแตะต้องผิวให้ร้อนละอุอยู่ตลอดเวลาไม่อยากจะตกนรกอีกให้โอวาดแม่เสร็จแล้วก็เข้าป่าบวชอย่างเก่าดังนั้นคำในคาถานี้เป็นคำของแม่นะเป็นคาของพระราชนีของพระช น, นีของพระเตมียะ อ้อนวอนลูกให้กลับขึ้นรองราชจาตุงกฤธิโยหญิงสี่จำพวกทั้งหลายกุสลาเป็นผู้ฉลาดนัจจะคีตัดสะในการฟ้อนรำและขับร้องนัจจะแปลว่าฟ้อนคีตะาแปลว่าขับฟ้อนและขับฟ้อนและขับร้องฟ้อนรำและขับร้อง คำว่านัจจานี่ภาษาบาลีท่านแปลว่าน้มกายน้อมกายไปน้อมกายมาถ้าทางขับร้องอค่าทางฟ้อนรำทุกวันนี้เขาไม่เรียกว่าฟ้อนรำนะเขาเรียกว่าเต้นเรียกว่าแดนเรียกอะไรอีกก็ไม่รู้ฮ <laughs> าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าาฮาฮ่าาฮาฮ่าาฮ่าฮ่ีฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ้าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่านั่าฮ่าฮ่านะ่าน่่าา เว้นจากการฟ้อนรำและขับร้องประคมดนตรีอะไรเล่เาสั้นๆให้ฟังแค่นี้นะแล้วก็สิคิตาเป็นผู้มีการศึกษาดีแล้วศึกษาแล้วได้ศึกษาแล้วมีการศึกษานะ่สิคิตาแปลง่ายมีการศึกษาถ้าว่ามีการศึกษาในนี้นไม่ได้หมายถึงว่าจบศาสตร์แขนงต่างๆแต่ว่าศึกษาการบ้านการเรียนมาเป็นอย่างดีแล้วรู้ว่า จะต้มข้าวยังไงจะหุงข้าวอย่างไระทําทำแกงอย่างไรงานบ้านควรจะทำอะไรก่อนอะไรจะตื่นเวลาไหนจะนอนเวลาไหนศึกษามาละเอียดดีแล้วพูดยัว่วพูดยัว่วยั่วให้ยินดีในการเข้าเมืองขึ้นของราศีต่อไปดูข้อ6ฉชัดถีวิพัตน์ในอัดอนาทรในอัดอนาทะระ อ, น า, าาอนาธังระก็อนาทอนอนาธรภาษาไทยก็ใช้ว่าไม่อารร้อนใจอะไรอย่างเนี้ยไม่เอือออเอ้ออารณดังนั้นครับว่าอนาธรก็คือไม่มีอารไม่เอื้อเฟื้อกันไม่เกี่ยวข้องกันต่างคนต่างเป็นให้แปลว่าเมื่อนะสถีวิพัฒน์แปลว่าเมื่อตอนนี้ลืมในไว้แล้วนะมาเป็นเมื่อแล้วตอนเนี้ยดูตัวอย่างข้อหนึ่ง โรทันตาังปุตตาังโสอิสิปภชังปพะชิโรทันตานังปุตตาังเป็นฉัฏถีวิพัตปุตตานังแปลว่าเมื่อบุตรทั้งหลายถ้าเป็นพู้หูพจน์ก็ต้องแปลพู้หูพจน์นะปุตตานังเมื่อบุตรทั้งหลายโรทันตานั낭ร้องให้อยู่เมื่อบุตรทั้งหลายร้องให้อยู่โสเขา ปัพพระชิบวชแล้วปัพพระชิบวชแล้วอีสีปัพพัดชังบวชเป็นฤศีโรทันตานังปุตตานังเนี่ยบูตรอ้องไห้อ้อนวอนพ่ออย่าบวชพ่ออย่าบวชนพ่อก็เลยหนีไปบวชเลยทั้ง น, นั้นสองประโยคนี้เรียกว่าไม่มีอาทรต่อกันเลยใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปของใครของมัน ลักษณะอย่างหนึ่งนะขณะที่ลูกชายกำลังร้องให้ข้าควรอยู่พ่อหนีไปบวชซะเลยต่อไปข้อสองอยังแปลไม่จบเลยปุตตานังเมื่อบตรทั้งหลายโรธันตานังร้องให้อยู่โสเขาผู้นั้นบุคคล น, นั้นนะคว่าโสเขาเนี่ยก็คือผู้นั้นนั่นแหละปภชิบวชแล้ว ปภชิบวชแล้วอิสิปภะชังบวชเป็นฤาษีอิสิปภ ะ, ช, ปปะชังเป็นกิยาวิเศสนะของปภชินะเป็นอังทุติยาแปลไม่ต้องออกวิพัฒน์เพราะเป็นกิยาวิเศษทุติยาในอัต ก, กิยาวิเศสนะบวชเป็นฤาษีเพราะว่าไม่ซ้ำจะใช้ว่างไงใช้อิสิเฉยเลยบวชเป็นฤาษีเป็นอิสิปภชิอย่างนี้ก็ไม่ได้ ก็จะกลายเป็นว่าถ้าอีสีปปปชีก็แปลว่าโศอีสีหรือสีนั้นปัปปชีบวชแล้วอเมื่อเป็นฤาษีล้วบวชทำไมอีกบวชเป็นพระก็บวชพิกุพิกุปัปะชังปัปปชิแลวบวชเป็นพระอุปสมบทนะเป็นพระถ้าใช้ปัปะชิเนี่ยบวชทั้งทุกอย่างที่ถือถือบวชเป็นปัปปชิหมดแต่พระอุปสมบทนะั้นหมายถึงบวชเป็นพระอย่างเดียวอ่ดูต่อไป ต่อไปข้อ2อาจารย์กฤษศ์โอวันตัดศักิษานิทายิงสุอาจารย์กฤษศะเมื่ออาจารย์โอวันตัดศัสอนอยู่ศิษสิทธ์ทั้งหลายนิทายิงสุหลับแล้วอันนี้อันนี้เป็นอุทาหอนใหม่นะไม่ใช่มาจากบาลีแต่หอนเขียนขึ้นใหม่ ระหว่างลูกศิษ์อาจารย์เนี่ยใช่ไมไม่อารทต่อกันเลยอาจารย์สอนสอนไปลูกศิษย์หลับต่อไปข้อสภพิกขูนังปังริตังสัจชายมานานังคาโววชโตนิคตาพิกขูนัง เ, ออเมื่อภิกษุทั้งหลายสัจชายมานานังสาธยายอยู่สวดอยู่ ภาษยาทยอยู่สวดอยู่ปังกิษตังซึ่งประซึ่งปังริศคาโววัวทั้งหลายโคทั้งหลายปากใต้ก็งัวทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> อีสานก็เหมือนกันบ้านตรรมะก็งัวเหมือนกันไม่มีวัวถ้าใครไปพูดวัวนี่อุย้ยคนมาจากไหนคนเนี้ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองนะเขาเรียกงัวภาษาไทยโบราณก็งัว ไม่บัวงัวงองงูงัวอ่าถ้าพม่าก็นัวนัวเกือบเหมือนกันเลยพม่านัวถ้าอีสานนัวก็คนละอย่างนะถ้าอีสานนัวนี่คืออร่อยอย่างผงผงชงรสเนี่ยถ้าไปอีสานเขาจะเรียกแป้งนั ว, วก็แถวบ้านตมามีมีพวก พวกยวนยวนนี่คือคนเวียดนามะนะแต่บ้านธรรมาไม่เรียกยวนไม่เรียกเวียดนามนะเรียกแก้วเรียกแก้วพวกแก้วเนี่ยมาอยู่บ้านธรรมะนะมีลุงคนหนึ่งแกไปวางบ่วงดักดักหนูดักพังพรตามทุ่งนาหน้าเนี่ยหนาเข้าเริ่มออกรวงเนี่ยพวกสัตว์พวกนี้จะลงมากินปูกินปลาที่น้ําขอดมีเยอะวันหนึ่งแกไปดักได้ดักได้พังพรมาตัวหนึ่ง เชือบผูกคอรัดไว้งั้นแห ล, ละแล้วแกก็เอาเชือกเนี่ยมาห้อยไว้ที่ราวตากผ้าข้างบ้านน่ะพังพรมันตายแล้วผูกคอห้อยไว้เหมือนเหมือนแขวนคอตายอย่างนั้นน่ะห้อยไว้สองวันจนแกไปดูเห็นตัวพังพรมันดิ้นลุกดิบลุกดิบลุกดิบ ล, ละเอ้าวละได้ทีละหนอนทั้งนั้นเลยไอ้ลุกดิบลุกดิบนั่นแหะไม่ใช่ฟังพรฟื้น <laughs> หนอนะ <laughs> <laughs> แมงวันมาขี่สใส่ไข่ใส่จนหนอนจนตัวฟังพรเดือดดุบดุกดิบไปทั้งตัวเลยนะดินน่วมน่วมน่วมเลยทั้งตัวแกก็ไปตั้งหมอ้อปรุงเครื่องปรุงรสอะไรเรียบร้อยแล้วมาแกเอาเชือกก ค, ค่อยถือไปไปย่อนลงในหมอ้อหนังพังพรก็แบกแตกโผลมาหนอนลอยเต็มหน้าหม้อแกงโอ้เป็นฟองฟอไป ห, หมดเลยทั้งขนทั้งอะไรอย่างนั้นเลยนะ เป็นตัวๆทั้งขนอะไรเลยพอมันได้ที่แกก็ช้อนตักชิมดูโอ้นัวนัวบอกนัวนัวนวอร่อยคิดอยากแล้วเหรอไม่ใช่เขาว่ารสนัวคือรสกลมกล่อมถ้าแซบนี่หมายถึงรสจัดแต่ถ้ารสกลมกล่อมเขาจะเรียกนัวต่อไปนะ พิโขนางเมื่อพิสูจ์หลายสัชายามา น, านังสาธยายอยู่สวดอยู่ปริตตังซึ่งปริตคาโววัวทั้งหลายนิคตาออกแล้ววัชโตจากขออลองคิดดูว่าสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันไห ม, มน <c oughs> คนละเรื่องกันเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน แล้วพระเนี่ยก็ไม่ได้สวดไล่วัวออกจากอคอกนะวัวก็ไม่ได้รอฟังเสียงพระสวดแล้วจะออกจากอคอกก็ไม่ใช่ทั้งสองเรื่องเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันเลยไม่มีเอื้ออาทอนไม่อะไรกันทั้งนั้นอะ่ะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่าบังเอิญว่าคนคนหนึ่งเขาเดินไปใช่ไหมเขาเดินไปได้ยินเสียงพระสวดมนต์ก็เห็นพวกฝูงวัวออกจากอคอกอ้าพระสวดมนต์อ้าวัวออกจากคอกพอดีตอนพระสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งสองเรื่องมันไม่เกี่ยวข้องกัน บางทีอาจารย์บางทีเขาบอกว่ามาจากสังบทหน้าแล้วก็ชาเชธาต์เชธาต์สังบดหน้าเชธาต์เชชกเชิญเนี่ยนะแล้วก็มีการอธิเทศเอเนี่ยเป็นอายะเลยเป็นชายะแล้วก็ซ้อนชชอช้างลบนีิก็หิตไปที่สังเป็นสัตยาส่วนมานะเป็นปัจจัยเป็นปัจจุบันครับ มาณัอันตะเราเรียนกิจมาแล้วมาณัอันตะเป็นปัจจุบันแปลว่าอยู่แปลว่ากําลังแปลว่าขณะขณะที่พิกษุน์สวดมนต์โคข้อพากันออกจากข้อธาตุนิคตาขมุธาตุนิบทหนา้าเมื่อวานเคยบอกเท็ทีหนึ่งแล้วว่าขมุธาตุถ้าลงนี้บทนาเนี่ยนิยมเป็นกิจอันนี้เป็นสั์กิจเป็นนิบทหนา้าขมุธาตุตปัจจัยส่วนอาเป็นพระหูพจน์ถ้าเป็นวัวตัวเดียวก็นิขโตวัวหลายตัวคือนิขตา นิบวกขมุบวกตะบวกโยขะตัวหนึ่งซ้อนมะถูกลบไปที่สุดธาตุเหลือแต่ขะตัวเดียวลงตปะปัจจัยนิคตาแปลว่าออกไปแล้วผ่านมาหลายทีแล้วนิคตานิคโตนิค ต, ตาเนี่ยที่ว่ามาทั้งหมดนี้จบชัดถีวิพัฒน์นะ